สัมผัดได้ด้วยกรารประสักกายประสานัจเราไปเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ร้อมทั้งพระธรรมคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปารินิพานธ์อกเรา ได้เกิดมาได้รู้ได้ยินได้ฟังคำสอนนี้แล้วก็เราก็มีชีวิตอยู่มีกายมีใจที่จะได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์ปล่อยทิ้งไปได้อย่างไงแล้วเราก็ได้อยู่ มรดกของพุทยาออยู่วัดป่าอามในงนงหอีวรในฉันอาหารเป็นธํามบานแลอย่ารักษาโลกมีผู้ช่วยหรือมีผู้ให้ได้เราอยากจะไม่ทำในใจ นำท ร, รมาโวยที่ใจชืดนของเราไม่มีอยู่ธรมะที่เป็นความออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปฏิบัานทุกคนสัมผัสตถนาเป็นปัจัตตนงของใครของมันทุกคนทุกคนเวลาเราปฏิบัติแล้วก็มีการมีใจ เอาใจไปต่ออ่อกคาถูกเอาใจไปต่ออ่อกับควถูกดเห็นโดยสมบักีผิดเล้าผดเล่าความถูกก็ทาอีกตงที่ผิดไห้เกิดความถูกได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้อันลง ไม่สงกับได้ในคราวเดียวกันอันทุกไม่ทุกกว่าได้ในคราวเดียวกันมันเป็นละลายมาเกิดอะไรขึ้นมากลับไปกลับใจสัมผัสได้แล้วก็เปลี่ยนได้รู้ได้จนเห็นความแทค้ความจริงแล้วมันก็เป็นรูปเป็นนาม เรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกของนางเป็นเรื่องเกา่าเมื่อช่เรื่องหม่เรื่องเก่าเกิดเล่ากิดดีเราเคยปล่อยทิ้งไว้ในเรื่องไม่ดีพอให้เกิดกับกายกับใจเราหลังนี้เราก็ได้ยินด้วยฟังคําสอนว่ามันปฏิบัติได้มันเตียนได้ เราจ ะ, จะต้องมาเปลี่ยนดื้อด้านกันทำไมหัวตัเองทุกหัวตัวเ อ, ง ห, ววองหลงเราเสงที่ไม่ดีที่อะสมไขทุกแล้วที่สะสมไขหลงแล้วเราจึงมาทํางานอะไ น, นี้มาเปลี่ยนลองดูมาเปลี่ยนลองดูมีเช่าไหร่เปลี่ยนให้รู้จากตัว ควมรู้จักตัวนี่เป็นธรรมเมื่อมาอยู่ในกายกายก็ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเกิดกับใจใจก็ได้รับความเป็นธรรมได้เห็นความเท็ความจริงได้ช่วยเหลือตัวเองถึงป่านนี้ก็ยังปล่อยตัวเองทิ้ง แล้วมันก็เวลาเราศึกษ า, ากเรื่องนี้เรามาสัมผัสเครื่องนี้มันก็อาจจะมีความเคยชินทางกายลบใช่สิ่งที่ผิ ด, ผดมาอาจจะมีความเคยชินทางจิตใจแลบใช่สิ่ง ท, ที่ผิดมาต้องทวนกระเสือสักหน่อย แต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ดีเป็นเหตุที่ดีทําให้เราได้เปลี่ยนไล่เป็นดีได้มีให้เราเปลี่ยนจริงๆความไม่ถูกต้องให้มันเป็นความถูกต้องมีอยู่จริงๆเกิดกับกายกับใจเรานี่เราเห็นความเท็ความจริงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเล่าเปลี่ยนคำ พิเตมไปด้ตุกตุ๊กขังทุกเอาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นงานเป็นการแลเปลี่ยนวันแรวมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองว่าเป็นเช่นไรในความหลงไม่หลงอีกแล้วในความทุกข์ไม่ทุกข์อีกแล้วในความขัดไม่กัดอีกแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชิงไม่ดีมันหลุดออกไปไมันมีสชิงดีเข้าไปแทนแนวกายได้รับความถูกต้องแล้วใจได้รับความถูกต้องมันก็ฝันทำทำก็เปิดอะไรขึ้นมาได้หลักเฐานได้เห็นเห็นความเท่ความเชิงเห็นความแจ้งทํำไ้แจ้งได้เปิดตัว มันกมันปิดอยู่ที่เปิดออกมาแล้วขวกอยู่ได้หายขึ้นมาแล้วเราเห็นตัวเองการเห็นกันรู้ตัวเองนี่นเป็นความชอบทำไมใช่กายใช่ใ จ, จถูกต้องไม่ใช่กายใช่ใถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจ ไม่เป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจก็เป็นประโยชน์ต่อคน อ, อ, อื่นจริ่งหรือวัตถุอื่นไปห ล, หลายอย่างล้วจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้ดูสักหน่อยในเย็นเว่น มันเป็นรูปเป็นนามสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปสึ่งที่เกิดขึ้นกับนามมีสติดูกายขึ้นไว้เห็นใ จ, จคิดนึกดูกายขึ้นไว้มันดูมันก็เห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมันจะคุมทั้งสองฝ่ายสังกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนาม บูอันเดียวก็คอบคลุมไปหมดหลายหลายอย่างเราเห็นเป็นลูกเป็นนามเราเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกกับนามมากมายหลายอย่างอาการที่เกิดขึ้นกับลูกเกี่ยวข้องอย่างไรอาการเกิดกับนามเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร แล้วก็แล้วโดยเฉพาะเกิดกับน้ำเกี่ยวข้องกันทั้งก่อนแล้วมันแล้วไปส่วนลูกฝังอย่างมันไม่แล้วล ก, ก็รู้จักสิงที่มันมาแล้วทํำยังไงเกี่ยวกับลูกต้องกินข้าวทุกวันมันไม่แล้วต้องนอนต้อง ก็ต้องทายต้องลูกเหยอะเคลื่อนไหวเป็นกิริยาพาตาการที่เกี่ยวข้องกับลูกอย่างถูกต้องหาตัวอย่าลูกมีระเบียบการใช้ลูกให้มีระเบียบเมื่อหาได้มีระเบียบมันก็มีระเบียบเค่ไหนเพียงาย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 เมื่อมันเกิดสิงที่ไม่ดีมันเป็นความดีแทนที่แล้วเมื่อก็แล้วเป็นครั้งเดียวจบทีเดียวเมื่อเหมือมนจบเรื่องที่เกิดขึ้นกับนางมะทามเป็นอาการที่เกิดกับนางมะทามไม่ใช่หลายเรื่องที่ไปแจ้งไขไมีแต่สติรู้จักตัวรู้แล้วรู้แล้ว เพราะว่าที่รู้เป็นตัวเฉลยที่เกิดขึ้นกับนามมันก็จบเทุกข์รู้แล้วเกิดที่เกิดทุกข์กกกทําได้แล้วทําให้แก้งได้แล้ว เป็นวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องได้แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับน้ำเดินลูกเอ น, น้ำ ม, มาถูกต้องมันก็ถูกต้องไปด้วยเป็นธรรมต่อกันก็มเป็นธรรมเกิดขึ้นกับลูกของ น, น้ำ อาศัยลูกอาศัยนามนามอาศัยรูปรูกอาศัยนามมีรูกให้ทำความดีมีนามใช้รูปไปทําความดีความดีที่เกิดกับรูปกับนามความดีที่เกิดกับนามทาได้ทุกโอกาสความดีเกิดกับรูปต้องมี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 แต่ความดีเกิดจากนามทำได้ถูกกาดสะดวกแในการทำความดีนอนอยู่ก็ทําความดีได้นอนอยู่ก็ปฏิบัติให้เกิดความดีต่อนาได้เมื่อเกิดความดีต่อนานอนเมื่อก็หลับไม่ฝันร้าย เป็นความสุขเป็นความสงบเลยใช่รูปเช่นนามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยลูปนามรูปธรรมนามธรรมมันทําดีเอามาทําดีเอาลูปมาทําดีเอานามมาทําดี ถ้ามันทําชั่วก็เปลี่ยนให้มันทําดีมีเท่าไหลเปลี่ยนได้รูปทานามทาก็เกิดการกระทําที่เป็นความดีความดีที่เกิดจากรูปจากนามเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ทําดีแล้วก็เป็นผลเป็นกุศลเป็นบุญเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานมีรูปมีนามมันเกิดนิพพาน ถ้าเราใช่ถูกถ้าใช่ไม่ถูกก็เกินนะโรกกันเปรตสุบลายไม่เหมือนกัดโขข้าวก็ได้ข้าวต้นไม้ก็ได้ต้นไม้ทำดีแบบนั้นแต่ว่าเมือเม่อมันเป็นรูปนามมาทำดีที่เป็นสติมีรัอสึกตัว กายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลคือําจัดความชั่วสมาธิกําจัดความชั่วปัญญากําจัดความชั่วความชั่วยังไม่มีในกายในวาจาในใจมันเป็นมรรคเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพาน มันเคยชินซะว่าสวรรค์นิพพานที่จริงวันนิพพานบุญกุศลก็ไม่ใช่มันเรียกต่อกันไม่ได้นี่แนหะบุญกุศลสวรรค์นิพพานมันเป็นความเคยชินของภาษาที่จริงมาไม่ถูกบุญก็อนหนึ่งต่งหากุศลมันหนึ่งตงหกุศลมันเกิดจากความฉลาดบุญมัเพียงดีใจ ที่ใจยังเป็นทุกข์ได้ยังมีเสียใจใจมันต้องดีมันจึงไม่เป็นทุกข์ใจมันดีเนี่ยรู้ว่ากุศล ร, รู้ว่านิพพานแต่บุญเนี่ยมันไม่ใช่กุศลมันไปใช่นิพพานแต่คนก็ติดทีว่าบุญเนี่ยความสุขแต่จึงสุขมันก็ไม่ใช่ จะยังมีสุขก็ต้องมีทุกข์คู่กันอยู่พิ้งมันทั้งสุขทั้งทุกข์มันไม่มีอะไรนั่นเรียกว่ากุศลมันก็เป็น น, นิพพานมันไม่มีอะไรที่เกิดจากลูกของนามมันต่อยอดและยอดใหม่มันก็ทำดีแล้วขามชั่ว เมื่อนทำดีแล้วของชั่วทั้งรูปทั้งนามมันก็บริสุทธิ์เปลี่ยนมาเป็นผล ข, ขึ้นมามือนการเกิดเจะเจ็บตา ย, ยาลูกทำนาทำไรหงิงนาะทองได้ข้าวได้ของมากินมันยังเกะยังเก็บยงังตายเงินได้มากมากแต่ว่านไม่มีชีวิต อยู่ใช้เงินใช้ทองเป็นของคนอื่นอบางทีก็เงินจะทำห้ตรงเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะนี่มรรคนิพพานมันไม่ไม่มีใครมาแย่งได้เป็นอริยทรับภายในของกายของใจ ยังเป็นชีวิตของเราที่ต้องก้าวไปถึงเรื่องนี้แล้วเราก็สะดวกทำงานตน้นนี้ยิ่งพวกเราเป็นนักบวชมาจากวัดวาอารามออกจากบ้านจากเดือนมาไม่เกียวคนโดยบ้าน้วยเดือนมา มาอยู่ในวัดวาอารามได้มีโอกาสปฏิบัติเป็นเพื่อนเป็นมิตรกอนมีจิตวัดวิธีวัดก่อนเช่าชดมวลไหว้พ ร, พระสอนพระสาพรสูจนสนเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำที่ทาให้เกิดเป็นพระเจ้าทำที่ทำให้เป็นพระสงฆ์ พระธรรมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระอรรมอยู่ในพระสงฆ์อันเดียวกันแต่ผู้ที่รู้ก่อนเลือกพระพุทธเจ้ารู้ทีหลังหลือว่าพระสงฆ์รู้ตามแต่รู้อเดียวกันธรรมที่มีอยู่กับพระเจ้าพระเจ้ามาสอนคนอื่น คนเดลู่ตามเรียกว่าสมมาสมพุทธเจ้าเป็นเจริญถี่เพิกปลุษยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดสอนเราก็มาสอนเราได้เรามันหลงไม่หลงทำตามพุทเจ้าเรามันทุกข์ไม่ทุกข์มีสติทำตามพุทเจ้าดูอย่าทิ้งพุทธเจ้า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 ก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกากับใจเห็นรูปทำนามทำเห็นรูปทุกนามทุกเห็นรูปโลกนมล้มโลกรูปทำมันทำดีมันทำชั่วนามทำมันทำดีมันทำชั่วได้เห็นไม่มีตรงไหนปิดบางอภังได้ถ้ามีสติได้เห็นรูปทุกนามทุก ทุกข์ผมให้เกิดเป็นพุทธะดีแล้วจะได้พ้นความทุกข์ก็ตื่นรือลนลูกโลกดาบโลกมันอยู่กับโลกน้าเกิดโลกลูกเกิดโลกโลกของลูกมวงเฉเท่าหรือเฉยเจ็บตาย โลกของลูกโูคของนามคือความโกรธความโลกความหลงความใจเฉื่อยใจความสุกขความทุกข์ที่เกิดกับนามมิสติสติคอลรักษาไม่หายไม่มีรูปทุกรูกโลกนามโลกเห็นรูปเห็นเห็นรูปที่เกิดกับเห็นโลกที่เกิดกับลูก โลกเกิดกับลูกเกี่ยวข้องอย่างไรต้องหิวข้าวทุกวันต้องกินข้าวต้องกับต้องถ่ายต้องอาบน้ำแปรงฟันมันเนเครือมันเป็นก้อนโลกมันหนึ่งของลูกหิวก็ต้องกินข้าวพอหิวก็หมดปอย่มันไม่ยอแจ้มันบันเทา เืินเดินนั่งนอนก็เป็นการวันเท่าก็ดินอยู่นานๆก็ไม่ได้เป็นทุกนอนนานๆก็ไม่ได้เป็นทุกข์นั่งนานก็ไม่ได้ไเป็นทุกข์ยืนนอนไม่มาได้ไเป็นทุกข์ทุกข์ก็ต้องนอนก็ต้องลุกขึ้นมานั่งก็ต้องเปลื่อนทีบท่บดเป็นการบันเทามันไม่ใช่แก้ตั้งขับต้องตาย อันนี้โลกทุกของโลกโลกของลูกจะโลกของน้ำรักษาได้เด็ขาดไม่เกิดขึ้นมาีองขอมโขดของโลกของหลงกิเลสตัณหาหรือคะเวลามันเจ็บมันแฉมันตายก็ลูกเห็นว่าเป็นลูกทุกน้าทุกลูกโลกน้ําโลกเป็นเรื่องของของลูก ค ว, ค, วความเจลีไม่ใช่น้ำความเจ็บไม่ใช่น้ำความตามไม่ใช่น้ำมันเป tick. ็นความไม่เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้มันเห็นมีปัญญามันมีปัญญาเป็นพุทธะมันเป็นผลมันก็ไม่อยู่กับความเจ็บความเจ็บความตายเห็นมันเจ็ไม่ใช่เป็นผู้เจ็ เห็นมันเก็บไม่ได้เป็นผู้เก็บแห็นมันตายไม่ได้เป็นผู้ตายไม่เก็บผู้ความเก็บไม่เก็บผค ว, วามแก่ไม่ตายผความตายนี่เมื่อมีสติมีเชืสติแล้วแลวอยู่มีเชืสติแล้วแลวอยู่สุกขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมีเดชสตินี่จุดหมายปลายทาง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 เราไม่ศึกษาทารุณศาก็ไม่มีเรื่องนี้แล้วก็มีสติที่ต้องศึกษาเรื่องนี้ไม่มีใครห้ามได้มีสติไม่ทุกมีส ต, ต, ติไม่โกรธมีสติไม่หลงแล้วมันโกรธเรามีสติไม่โกรธก็ต้องข อ, อยาตใครเรามันทุกเราก็มีสติไม่ทุก แล้วมันหลงเรามีสติไม่หลงมันทําได้มีสติอยู่นี่รู้แขนเข้าเหยียดแขนออกอยู่นี่รู้จักตัวอยู่นี่กลับมารู้จักตัวนี่แต่ความรู้จักตัวนี่เป็นพุทธะกาจัดความทุกข์เป็นเครื่องกําจัดความทุกข์พุทธะพุทโธ ท, ทุกขสังขาตาจา้าวิคาตาเจา้าหิทัดสมั พระพุเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์คือตัวลู่ตัวลู่นั้นเป็นพุทธภาวะที่ลู่ลู่เตือนเบิกบานเนี่ยกำจัดความทุกข์เมื่อาทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระสงเป็นเครื่องกำจัดคู้คืนนั่นทมคนนั่นทำหรื อ, รรอรรภาวะที่ลูน่นี่ปฏิบัติตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติออกจากทุกปฏิบัติปตเป็นสถาบัน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 ขุยาดประกาศตรงนี้อโยขยะประมาลาคาผมไม่มีลูกเป็นลาบเป็นประเสรดคี่มันประเสรดอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสแล้วมีการมีใจมีเวลายิ่งพวกเราอยู่ที่นี่เปืนเพื่อนเป็นมีตรกันก็อุ่นใจไมาใช่อยู่ผู้เดียวอาจจะขวนหายอยู่ในบ่แล้วดง ตอนนี้เรามีเพื่อนมีมิตรมีนักบวชเป็นผู้หญิงมีนักบวชเป็นพระเป็นผู้ชายแล้วก็พึ่งพาศสะกันได้ตามวิสัยของพวกเราที่อยู่นี่เราจะเอาอย่า ง, งานชีวิตของเรานี่อะไรที่เป็นของที่จะให้มันถูกต้องกับกากระับใจ บางที่เราอาจจะใช่กาวใช้จะมาผิดพลาดเปรึกเพื่อนเละอะเทอะมาอันแหละเป็นงานที่เราจะต้องประสบการณ์บทเรียนยิ่งมีประโยชน์มา ก, ไ ด, กได้สู้กับเรื่องนั้นสู้กับเรื่องนี้จะมีประสบการณ์จะเป็นครูของคนต่อยเขืยนได้ แก้ไขหลังต่างๆมากมายที่มันเกิดกับกายกับใจเพราะใช่กายใช่จผิดมากิเลสเขาพันห้าตันหาก็ร้อยแปดแต่เราไม่ใช่โดนไลยเหมือน้ายเหมือนกับองค์ขริมานองค์ขริมานฆ่าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนน่ะแล้วไม่ได้ฆ่าใครก็ไม่นน่าจะสะดุ้งอะไรมากมาย ที่ก็เกิดชีเรตต้องหาล่ะค่ะเกิดโคตรลบหลงแค่นี้ไม่น่ากันอะไรมากมายพรเจ้าโปรดลงที่มาเพียงแต่ว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดไม่หยุดอะไรมันวิ่งอยู่หยุดเราไม่หยุดไม่ทําบาปทำกรรมอีกแล้วเธอยังจับมีดเรา ดาบเลยฟ้าไล่คาเราอยู่เธอยังไม่ยุดเออนี่ก็หักดิบเลยสะดุ้งนี่เราไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดกับเราเนี่ยมีสติอยู่เนี่ยเหมือนพนระเจ้าหมอปวดทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นฝากับใจลูกขึ้นมาเปลี่ยนยได้ก็ดีนี่ว่าเหมือนพระเจ้าหมโปวดเรา เราก็ไม่ค่าใครเหมืนเคยจากความคิดมีสติเห็นคิดคิดขึ้นมาได้เปียนมันได้รูมนน้มันเหมือนพระพเจ้ามาโปรดเราอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วเมาใช่เปี่ยวเดียวดา เราดขึ้นกับควาเข้จาดแล้วก็มีพุท ธ, ธะช่วยเราอยู่คือรู้จักตัวตื่นรู้ตื่ น, นเบิกบานขึ้นมาทันทีรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาทันทีมีล้อเป็นดีขึ้นมาทันทีทันใจเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิวัติให้ผลได้ไม่จํากัดการของผู้ปฏิบัติ ตามสมควรเจอผู้ปฏิบัติลู่หลงหนึ่งครั้งลู่หนึ่งครั้งลหลงลอยครั้งลู่ลอยครั้งทุกลอยครั้งลู่ลอยครั้งสมควรเจอผู้ปฏิบัติก็ทำาย่างนี้ถ้าหลงลอยครั้งลู่สามสิบครั้งมันคิดไปลอยครั้งลู่ไม่ทันมันจะเป็นกงุงเป็นแตงเป็นทุกเป็นทุกข์ไปกับความคิด อันนั้นก็จะไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติตถิติจริงๆมันจะเห็นดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นทำดกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกตรงนี้มันเป็นการมรรู้ธรรมนะดูให้ดีแลพอเถียนเชื่อขาดตรงนี้การคิดที่ไม่ตั้งใจมันมาแรงนะถ้าดูดีๆถ้ามีสติ ถ้เราไม่มีสติมันก็เฉยได้ในความคิดที่ไม่ตั้งใจสมาดตรงนี้สองพ่อเถียนท่านมีสติตเดินยังกรมเดินยังกรมรู้จากตัวก้าวไปรู้ไปรู้ไปมันคิดขึ้นมานี่ยก็รังมีจิตอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชิดเหมือนกับคนมาพักใ ห, ให้ด่วนไปข้างหน้าอ้าวมันอะไรเกิดขึ้น ดูมันอีกกันไน้เดินไปรู้จักตัวเดินไปรู้จักตัวเดินไปรู้จั ก, จกคิดมาหนยโอ้มันเกิดจากความคิดนะเอ้มันอยู่นี่แล้วเนี่ยความคิดเธอเนี่ยดูกายเห็นคิดดูคิดมีสติ ด, ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเอามานอีกแป๊บเดียวเลยพอเห็นเงื่อนไขของมั น, น่มันอยู่ตรงนี้เลย คิดที่ไม่ตั้งใจนี่หรือคูกมหลงตัวผัวมันเลยเนี่ยเคยมาใช่จิตให้คดิดอะไรก็ได้เลยนี่มีกายมีสติดูกายเคื่อนไว้เห็นใจมันคิดเสื่อขาดตรเนี้จบไปเลยมีเท่านี้เนอะชีวิตแดนสามมาฆะปฏิฆะมานาติติไม่มีเลย พเจ้าตัดผมครั้งเดียวงอกขึ้นมาอีกไม่ได้เลยแด็ดขาดไปเลยนี่เราดูมีสติเห็นกายเคลื่อนไหวไม่เห็นใจไม่เห็นความคิดความคิดหิวใจไปไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่นี่แต่ไม่คิดไปไหนมันไม่สติมันไม่มากพอมันน้มหลอกไหลหลาก น้ำ น, น้อยก็ยอ่อมไม่พัดอะไรไปได้มหาเติษฐมันมากพัดอะไรไปได้แต่ยังมีกรรมฐานตั้งไว้ก่อนรู้จักตัวดู่อยเคลื่อนไหวผูแขนเจี่ยบฉินดองรูจักตัวดูนี่เรามีหลักอยู่นี่วกวอะไรจะเปรียบเทียบกยูไป เราก็หนึ่งละมีกายมีใจมีความหลงหรั้งกันสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราทุกข์คนอื่นเขเไม่ทุกข์อยในโลกนี้อยู่ตรงที่เดียวกันเนี่ยถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปเปลี่ยนอะไรมาเป็นรูปได้ทั้งหมดสิ่งที่มาเกิดเกิดไปกับเราเนี่ยนี่กับผู้ช่กันฟัง ให้กำลังใจว่ามันทำได้มันทำได้เอาคอเป็นประกันครับสองพระเจ้านี่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการมีทำแท้ๆอยู่เนี่ยต่อยอดมันมาอะไรเปลี่ยนมันดีมันดีได้วตนนี้หลองตาจะไปฉันเช่าที่บัดปู่วัดป่าสุกตู ก็มีแขกมาหาที่นั่นบางทีถ้าไม่ได่มีอะไรนี่ก็อยากจะบ อ, อกจะสอนอย่างนี้ลหละแต่ที่นั่นก็มีครูอาจารย์เยอะๆก็มีเพื่อนมีมิตรอยู่ที่นั่นคิดถึงเพื่อนถึงมิตรคิดถึงธรรม บอกจะบอกความผิดความถูกที่เกิดขึ้กับใจทำไมชี่สุกโตก็ที่ผู้ขอทองอาจจะไม่้าจะเป็นต้องพักผ่อนก็สถาไปสักคืนหนึ่งถ้าไมหน้าพักผ่อนก็กลับมาได้ถ้าอะไรปกติอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรก็อยากดูจากแรงอยากช่วยเหลือ ถ้าไม่มีเัหาอะไรก็กลับม า, มาหาวันอาสมควรเจอกญเลากระง า, ภากับ